พิงสะเจริยาพิงสะเจริยาวา่าเจริยาวัดของพิงสพราหมณ์อีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราอยู่ในพระนครกาสีอันประเสริฐสุดน้องหญิงชายเจ็ดคนเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลเรานี้เป็นพี่ใหญ่ของน้องหญิงชายเหล่านั้นประกอบด้วยหีริและธรรมเขาเราเป็นผู้เห็นพบโดยความเป็นภัย คือเห็นพบโดยความเป็นสิ่งที่น่ากลัวจึงยินดีอย่างยิ่งในเนคขมะคือการออกเพื่อเจริญกุศลพวกสหายร่วมใจของเราที่มารดาและบิดาส่งมาแล้วเชื้อเชิญเราด้วยกามทั้งหลายว่าเชิญท่านดำรงวงสกุลเถิดคำใดที่สหายเหล่านั้นกล่าวแล้วเป็นเครื่องนำสุขมาให้ในธรรมของฤหัตคานั้นเป็นเหมือนคาหยาบเสมอด้วยผานอันร้อน ได้มีแล้วแกเราในการนั้นไปเทอไปเที่ยวไปเล่นการมีครอบครัวการอย่างนั้นมันมีความสุขมากนะคำเชิญชวนอย่างนั้นเหมือนเอาเหล็กแหลมเนี่ยนะเหมือนเอาเหล็กแหลมเนี่ยเผาแล้วก็ทิ่มไปที่หูอนยะ่างนั้นคำเชิญชวนเพื่อเสวยสุขเหล่านั้นเนี่ยแมมันเหมือนกับชวนไปดื่มยาพิษอย่างนั้นแหละสหายเหล่านั้นได้ถามเราผู้ห้ามอยู่ถึงความปรารถนาของเราว่า ท่านปราะะรถนาอะไรเล่าเพื่อนถ้าท่านไม่บริโภคกรรมเราผู้ใครประโยชน์แก่ตนได้กล่าวแก่สหายผู้สแสวงหาประโยชน์เหล่านั้นว่าเราไม่ปรารถนาความเป็นเครือขัดเรายินดีอย่างยิ่งในเนคขมะสหายเหล่านั้นฟังคําของเราแล้วได้บอกแก่มารดาและบิดามารดาและบิดาได้กล่าวอย่างนี้ว่าแม้เราทั้งสองก็จะบวช มารดาบิดาทั้งสองและน้องหญิงชายทั้งเจ็ดของเราสละทิ้งสมบัตินะนะสละทิ้งทรัพย์นับไม่ถ้วนเข้าไปยังป่าใหญ่ชนนี้แรนะวานให้เพื่อนอวานให้เพื่อนของลูกไปชวนลูกให้ครองเรือนครองทรัพย์ลูกก็ออกบวชนะนะพ่อแม่ก็เลยบวชตามเรื่องราวโดยพิสดารในอัลกัาว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีพี่น้องหญิงชายอยู่เจคนในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมาหาศานพราหม์มหาศานก็สรุปว่าพวกเราทั้งหมด8คนมีพี่ชายน้องชายเจดคนหคนมีอุปการจนะเป็นต้นและเรากับน้องสาวคนเล็กชื่อว่ากันจนะเทวี TV. ครั้งนั้นได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศานตระกูลชื่อว่าโส ต, ต, ต, ติยะเนี่ยนะ เพราะไม่ยินดีในการเชื้อเชิญด้วยมนได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในบังเกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาสาลมีสมบัติ80โกรในกรุงพารณาณสีชื่อว่ากัณจนะ ก, กุมารแสดงว่างามมากนะเป็นคนรูปงามก็ชื่อว่าทองเมื่อกัณจนะ ก, กุมาร น, นั้นเดินได้ก็มีบุตรคนอื่นเกิดอีกชื่อว่าอุปกัณจนะ ก, กุมารตั้งแต่นั้นมาชนทั้งหลายเรียกพระโพธิสัตว์ว่ามหากัณจนะ ก, กุมาร แสดงว่าชื่อทองหมดเลยนะแต่ว่าแล้วแต่จะจะนำจะนำอะไรมานําหน้านําหลังให้นะนะมาหาทองนะใกล้ทองเป็นต้นเนี่ยก็เกี่ยวเกี่ยวกั บ, กบทองทองอยู่นี่แหละตั้งแต่นั้นมานนก็มีลูกขึ้นมาอีกบุตรชายอีกเจ็ดคนส่วนคนเล็กที่สุดเป็นทิดาคนเดียวชื่อว่ากัญจนะเทวีก็อ่ะหญิงทองอีกนั่นแหละนางสาวทองอีก สรุปสรุปว่าวันพันพั น, พนอยู่กับทองละก็คือมีลูกชายอยู่เจ็ดคนลูกคนเล็กคนที่แปดเป็นผู้หญิงพระโพธิสัตว์นั้นพอเจริญวัยเสร็จก็ไปเรียนที่เมืองตกักกศิลาเล่าเรียนศิลปะทุกอย่างสำเร็จแล้วก็กลับมาเรียกว่าจบทุกสาขาในยุคนั้นนะครั้งนั้นมารดาบิดาก็ประสงค์จะผูกพระโพธิสัตว์ให้อยู่ครองเรือนแล้วก็กล่าวว่า พ่อและแม่จะนำธาริกาก็คือเด็กหญิงหญิงสาวจากตระกูลที่มีชาติเสมอกันมาให้ลูกพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าพ่อและแม่จา๋าลูกไม่ต้องการอยู่ครองเรือนเหตุผลเหตุผลทำไมจึงไม่ต้องการอยู่ครองเรือนก็เพราะวันโลกสันนิวาตทั้งหมดมีภัยเฉพาะหน้าภัยนี้แปลว่ามีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวเหมือนอะไรเหมือนถูกไฟไหมเหมือนเราอยู่บนบ้านที่บ้านถูก ไฟไหม้เนี่ยน่ากลัวไหมฉันใดโลกทั้งโลกก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่ว่าโลกนี้มันก็เป็นอย่างนีน้ทุกแห่งพร้อมที่จะมีไฟลุกท่วมได้หมดเลยนะทุกแห่งนะพร้อมที่จะมีไฟลุกท่วมได้หมดอย่างอย่างโดยเฉพาะป่าเนี่ยนะไม่คิดว่าป่าที่เขียวๆอย่างไปหน้านี้ไม่มีวี่แววว่าจะมีพระเพลิงท่วมป่าเลยนะไม่มีไฟลุกท่วมแต่ในที่สุด ไฟก็ไหม้ลุกท่วมไปหมดร่างกายสรีระของเราใครคิดบ้างหนาว่าไฟนี่จะลุกท่วมเผาซะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะในที่สุดก็ไฟทั้งหลายก็มีการแผดเผามันจึงมีแต่ความน่ากลัวเพราะว่าเหมือนกับถูกไฟเผาะนะเหมือนกับคนที่อยู่บ้านที่กำลังถูกไฟเผาฉะนั้นแล้วก็น่ากลัวเนี่ยนะแล้วก็โลกเหล่านี้เนี่ยผูกมัดดุดเรือนจา มีแต่ความคล้องมีแต่ความเกี่ยวมีแต่ความร้อยมีแต่ความรัดมีแต่ผูกมีแต่มัดนั่นแหละปรากฏเป็นของหน้าเกลียดดุดที่เทขยะเนี่ยนะมีแต่ความน่าเกลียดเหมือนที่เทขยะทั้งหลายเลยเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยมีที่เทขยะเป็นช่วงๆไงแนะม่ถ้าไปเจอที่เดลีเข้าเนี่ยแม่ทุกแห่งนะที่นั่งรถผ่านเนี่ยมันที่เทขยะหมดเลยนะโอ้เห็นแล้วก็มีหน้าแล้ออกบวช่ะนะ จิตของลูกไม่ได้กำหนัดในกามทั้งหลายลูกไม่ได้ต้องการวัตถุกกามด้วยอำนาจกิเลสกามรอกพ่อแม่ยังมีลูกอื่นอยู่อีกขอให้ลูกเหล่านั้นอยู่ครองเรือนเธอพ่อแม่มีลูกทั้งหลายคนนะก็ไปบอกน้องๆเขาครองเรือนกันแล้วกันส่วนผมจะออกบวชมารดาบิดาอบอกมารดาบิดาสหายทั้งหลายก็ขอร้องก็ไม่ปรารถนาะ ครั้งนั้นพวกสหายก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนสหายท่านปรารถนาอะไรเล่าจึงไม่อยากจะบริโภคก e g r o u n d ไอ้คำว่าบริโภค r กามเนี่ย f o กามเนี่ยโดยสัพแปลว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจริงๆแล้วท่านสนใจอะไรกันแน่ท่านจึงเอ่อท่านต้องการอะไรเพราะท่านมาเจอสิ่งที่น่าปรารถนาขณะนี้ท่านยังไม่เอาเลยมันเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าปรารถนาน่าฝักใฝ่นะน่าน่าปรารถนาน่าพอใจชวนให้มีความ หลงและความเพลิดเพลินท่านต้องการอะไรกันแน่ท่านจึงไม่เอาสิ่งเหล่านี้พระโพธิสัตว์ก็เลยบอกอัธยาศัยในเนคขมมะอัธยาศัยในการออกบวชของตนแก่สหายเหล่านั้นดังที่พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ตรัสเล่าอะไรตรัสเล่าถึงความปรารถนาเหล่านั้นว่าเออเรานั้นเห็นพบโดยความเป็นภัยจึงยินดีในการออกบวชนะ บทว่าพวังทิสวาณะพยโตเนคขมมาพิระโตอหังเราเห็นพบโดยความเป็นภัยแปลว่าเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวจึงยินดีอย่างยิ่งต่อในเนคขมะอธิบายว่าเราเห็นพบทั้งหมดมีการมาพบเป็นทนมีภัยเฉพาะหน้าโดยความเป็นของน่ากลัวดุดเห็นช้างดดแล่นมา ดูดเห็นเพชฌคาดเงื้อมดาบมาเพื่อประหารดูดเห็นสีหะเห็นราชสีเห็นยักษ์เห็นรากสดเห็นสัตว์มีพิษร้ายเห็นอสรพิษแล้วก็เห็นหลุมถ่านเพลิงที่ร้อนท่านเห็นพบการเกิดในการมาพบรูปประพบหรืออารูปประพบทั้งหมดเนี่ยเห็นแต่เห็นแต่ความน่ากลัวเออจริงจริงเนี่ยท่านขี้ขลาดหรือเปล่านะทำไมท่านไม่ต่อสู้ ต่อสู้สวัตถะเนี่ยนะต่อสู้กันไปมาจากเวียนตายเวียนเกิดกี่ภพกี่ชาติก็สู้ไปทําไมไปท้แท้ทําไมแสดงว่าไม่แน่จริงสิใช่ไหมไม่กล้าเหมือนเราไม่ใช่ใช่ไหมท่านมีปัญญาเพราะไม่มีใครคือสู้ยังไงก็ไม่มีใครชนะแท้สู้อย่างไรก็ไม่มีใครชนะแท้สู้วัตถะนี่สู้ยังไงสู้จนตายนะเขาบอกว่าโอยคนเนี้ต่อสู้จริงๆต่อสู้กระแดดใครชนะ แดดก็คงเดิมนะในที่สุดชายคนที่ตากแดดก็เคริ้มไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะไม่มีใครชนะจริงๆต่อสู้เถอะต่อสู้ให้เป็นเป็นอะไรก็ไม่มีใครชนะอย่างเที่ยงแท้วัตตะเนี่ยนะไม่มีใครต่อสู้แล้วประสบความสําเร็จแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวจริงๆเพราะผู้ใดไปเกี่ยวข้องกับวัตตะเกี่ยวข้องกับพบเจอปร ะ, ประสบแต่ความน่ากลัวพบแต่ความน่ากลัว เหมือนกับว่าช้างดุเล่นเพชรขาศ์เงื้อมมาเพื่อประหารเชื่อไหมอย่างก็คนในโลกเนี่ยนะอย่างในยุคใหม่ในสมัยสดเป็นยุคที่สนใจชอบรถมากเชื่อไหมนั่นนะเพชรข้าศ์เคลื่อนที่รถนี่แหละคือเพชรข้าศ์เคลื่อนที่พาไปตายมานักต่อนักแล้วเนี่ยนะเขาบว่าโอ้ยบอกว่ า, วากลัวช้างกลัวเสือกลัวงูเหลือเกินปีหนึ่งขัดตายกี่คนในโลกเนี่ยแต่ประสบอุบัติเหตุรถความตายกี่คนนั่นนะ เยอไปหมดเลยนะถูกรถชนตายเป็นต้นมากมายแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน่ากลัวเหมือนกับกับงูเป็นต้นเนี่ยจริงๆแนะสิ่งเหล่านี้หน่ากลัวจะตายไปฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็เห็นพิษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้หน่ากลัวคําว่าหน่ากลัวหมายก็ว่าเพราะนํามาซึ่งความน่ากลัวสารพัด ท, ที่จะหน่ากลัวเนี่ยนะ บัดนี้จึงยินดีในบนรรพชายินดีในเนคขมะเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านั้นจริงๆที่ออกบวชประพฤติ ธ, ธรรมก็เพื่อจะได้พ้นจากความน่ากลัวทั้งปวงอนะเห็นว่าคืนเดินต่อไปต่อสู้ในวัฏฏะจะไปให้มันไกลขนาดไหนก็ยังมีแต่ความน่ากลัวต่อไปภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นหันมาเจริญกุศลธรรมเพื่อออกจากสิ่งที่น่ากลัวกว่าไม่ดีหรือ ก็ เ, เลยคิดว่าจึงบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องในธรรมจริยาเป็นการประพฤติกุศลธรรมทางกายวาจาและใจเพื่อจะยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นจะปฏิบัติให้ได้อยู่ในสัมมาปฏิบัติยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงมีใจยินดีในบรันทชาที่จะประพฤติกุศลธรรมทั้งหลาย ประเพสกามาวจรเพื่อรูปาวจรกุศลธรรมเนี่ยนะประพเพสมหากุศลให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครจะมาชวนยังไงก็ไม่เอาเนี่ยนะทีนี้เพื่อนเขาชวนบอกว่าบทว่าขีหิธรรมเมสุขาวหังเครื่องนําสุขมาให้ในธรรมของเครือขัดก็บอกว่าจริงจริงการอยู่เป็นเครหอขัดมันก็มีความสุขนะสุกยังไงบ้างอะ อา้าวเครือข่ายก็มีความสุขไม่ใช่หรือสุขในชาตินี้สุขทั้งในชาติหน้าสุขในชาตินี้ก็อยู่กับครอบกับครัวไปมีความสุขอยู่เคียงคู่กับบทปริยาธรรมมาหากินไปก็มีความสุขดีอยู่นี่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาทให้ทานเป็นต้นเราก็มีสุขในชาติหน้าสแสวงหาสวรรค์ไปชําระทางแห่งสวรรค์ไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งอยู่ในคารวะปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่า ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องอะนะเพื่อนเราไปชวนเองโอ้ยไม่จำเป็นต้องไปบวชอะไรหรอกเราอยู่เป็นคารวาสเราให้ท่า อ, อยู่กับครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็ไม่ประมารักษาศีลให้มันดีๆแล้วก็ให้ทานชาติหน้าก็สุขติต่อไปอีกอแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพื่อนเอ้ยแบบนั้นนะแหมมาสอนอยู่แค่นี้คำนี้หยาบมากนะเขบอกว่าโอ้ยเมอโหสิกทินังแบบนั้นคำนี้หยาบมาก คือคำว่าคำของสหายของเราเหล่านั้นและคำของพ่อแม่ที่พูดเนี่ยเหมือนคำหยาบจริงๆฟังดูไพเราะนะโลกจะได้มีความสุขนะจะได้เพลิดเพลินเป็นต้นเหมือนคนชวนดื่มเหล้าหวานนะเพื่อนนะวุยเหล้ายี่ห้อนี้ราคาสูงนะดื่มเธอเป็นต้นนะคำที่พ่อแม่ชวนเนี่ยเป็นคำกลุ่มเดียวกันนะเพียงแต่ว่าดื่มดื่มคนละอย่างเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคาเหล่านี้หยา เหมือนเผาที่หูทั้งสองข้างเช่นกับผานอันร้อนตลอดวันผานที่เผาร้อนเนี่ยนะคือคําว่าผานก็คือไอ้อเครื่องมือในการไถนาโบราณนะ่ยที่มันแหลมคมๆนะ่ะานไถนานะถ้าเอาไปตากเผาร้อนทั้งวันนะแล้วเอามาทิ่มอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนผานที่เผาร้อนตลอดทั้งวันคําที่เชิญชวนในการเสเวยการมาสุขจึงไม่เป็นที่พอใจของเรา เพราะว่าการบริโภคกามทั้งหลายก็นำมาซึ่งความเมาแล้วก็เมาในในอะไรในที่สุดก็เมาอยู่ในวัตตะหลงอยู่ในวัตตะในตอนต้นดูอิ่ม น, นะดูเหมือนดีดูเหมือนเต็มไปด้วยความสุขและความเพลิดเพลินทั้งหลายแต่ในที่สุดเนี่ยนะอย่างคนที่มีความสุขในวัตถุ ก, กามทั้งหลายเพียบพร้อมอยู่ด้วยวัตถุกามทั้งหลายเราไปดูวันสุดท้ายสิ ดูวันสุดท้ายนี่จะรู้ดีว่าวันสุดท้ายไม่ในหน้าชื่นใจอะไรเลยอั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัตถุกรรมทั้งหลาย น, นะบางทีนั้นก็แปดเพื่อนไปด้วยบาปและอกุศลยามที่แปดเพื่อนไปด้วยบาปและอกุศลจิตใจก็กระวนกระวายแม้กระทั่งพระพิสุในยุคนี้บางรูปเมื่อเช้าฟังมาพระพิสุรูปหนึ่งบวชเข้ามาแล้วเขาเพียบพร้อมไปด้วยวัตถุกรรมทั้งหลาย น, นะในที่ในที่สุด เป็นมะเร็งตายนะพระที่อุปถาก็เล่าให้ฟังว่าน่าจะไปไม่ดีว่ากันกิริยาอาการกระสับกระส่ายก่อนจะตายน่าจะไปไม่ดีจากความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะพฤติกรรมหลายๆเรื่องประกาศถึงว่าคิดจิตใจอยู่ด้วยความเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็น่าจะไปไม่ดีตายก็เรียบร้อยเผาเสร็จแล้วกระดูกอีกไม่นานก็เปื่อยหมดนะแต่ว่าพบใหม่ละ ปฏิสนธิที่ไหนเ น, เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางรูปแม้กระทั่งบวชเข้ามาแล้วก็จิตใจก็ยังหมกมุ่นกับวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะวัตถุที่น่าปรารถนาะน่าพอใจในสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็ไหลไปสู่อบายทุกขิวินิบาศนรกจํากล่าวไปยายถึงกลุ่มคาระวะทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจห ม, มกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในที่สุดจะไปไหนเ น, เนี่ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเพลิดเพลินในตอนต้นแต่บ้านปลายละ่ะ มันบางอย่างเนี่ยนะเขาบอกว่าบางอย่างดูวันเดียวมองไม่เห็นไงอย่างการสูบบุหรี่เนี่ยนะถ้ามองแบบภาษาธรรมดาทั่วไปการสูบบุหรี่นี่มีความสุขนะโดดไปก็สบายจิตใจก็เชื่อมเชินโล่งไปหมดเลยเอาเถอะสมมติถ้าเป็นโรคปอดขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเวลาหายใจเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยเนยเป็นมะเร็งที่ปอดดูที่อะไรจะเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยคือตอนต้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ตอนปลายก็ลักษณะนั้น ร่างกายของเราเหมือนไม่มีอะไรแต่ตอนป่วยดูสิมันมีชาตินี้ที่เราเกิดเป็นมนุษย์เหมือนไม่มีอะไรแต่หลังจากตายไปแล้วล่ะพบใหม่ต่อไปถ้าทําทําบุญแม้กระทั่งชาตินี้เนี่ยนะบอกทําบุญเยอะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะยเป็นมนุษย์ในสภาพไหนเราสร้างเหตุอะไรเพราะว่าหลักของสังสารวั t มันมีว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุกับ อนาคตผลร่องรอยตราบุญที่เราได้อยู่อยู่นี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าอาดีตทําบุญมาดีแต่ปัจจุบันเหตุนะปัจจุบันเหตุกําลังทําอะไรอยู่เพราะยินดียินดีต้อนรับสิ่งที่เราทําในวันนี้ไหมพอใจไหมพอใจในผลงานที่นําเสนอวัตตะไว้ในชาตินี้ไหมนั้นนำเสนอไว้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวละประมาณ18ชั่วโมงเนี่ยนะเว้นแต่หลับเหมือนกันเถอะ ทำ ร, รมอยู่ตลอดเวลาพบใหม่พบต่อๆไปพอใจไหมอ น, นะดีใจไหมเป็นต้นเพราะนั้นความสุขในโลกนี้ถึงจะดูดีอ น, นะเป็นที่เพลดิดเพลินแต่ในที่สุดในที่สุดละ่นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ท่านมองอะไรก็มองกางไกลไม่ได้มองแค่ชาติเดียวเนี่ยนะเพราะว่าถือว่าวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะมันเหมือนกับอยู่ในสถานที่มันวงกลมตลอดเวลา มันก็เดินวนอยู่ในเนี่ยนะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่ทีนี้ไอ้เกิดมันมีเกิดในนรกเปรตสุรกายเดรชะชานมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตายแล้วก็เกิดแต่ว่าเกิดก็ไล่ไปอย่างนี้ตายแล้วก็เกิดเกิดไปอย่างนี้สุดแท้แต่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมดงนั้นกรรมที่เรากําลังทําอะไรทําอยู่นี้เป็นกรรมเพื่อพ้นจากความเกิดหรือไม่เังนั้นในคติพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยตายไม่กลัว กัวแต่เกิดเห็นไหมเพราะว่าความตายเนี่ยนะอย่างอย่างไรสมัยใหม่ด้วยแล้วโอ้โหความตายไม่น่ากลัวนะเพราะแพทย์หลายคนพยายามเสนอทฤษฎีตายอย่างสบายเช่นฉีดยาอย่างไงตั้งคอมพิวเตอร์ยังไงฉีดยาทิ้งไว้คอมพิวเตอร์มันทํางานอย่างไงในที่สุดตายอย่างมีความสุขเขว่ากันแต่เกิดอย่างมีความทุกข์นี่สิเนไเกิดใหม่เนี่ยเกิดจะเกิดที่ไหนเนาะเกิดตรงไหนเนาะเกิดด้วยความทุกข์แต่ว่าตายอาจจะสบายจริง เพราะว่าความตายนี้คติผู้าศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกับตายก็คือเกิดทีนี้ไอ้ตายกับเกิดมันไกลกันไหมหายใจเข้าหายใจออกมันช้ า, านะเกิดใหม่เร็วกว่านั้นอีกแล้วเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนถามว่าดูจากอะไรก็ดูจากสิ่งที่เราคิดถึงทุกวันนี่สิจิตใจคิดถึงอะไรอยู่โดยมากนั่นแหละพอจะพยากรณ์เครื่องหมายว่าควรจะเกิดที่ไหนดีนะก็ดูว่าว่า ถ้าเราอยู่แต่ในโลกของความเพลดิดเพลินดูหน้าเพลดิดเพลินไปหมดชีวิตชมแต่ดอกไม้ที่งดงามเนี่ยนะแล้วถามว่าควรจะเกิดที่ไหนดีถ้าเกิดแถวแถวดอกไม้ก็กลายเป็นผีเสือ้อเป็นแมลงผู้แมลงพึ่งเป็นต้นก็บอกว่าเราดูเอ๊ะมันจะเป็นไปได้จริงหรือถ้าเราไปอยู่ตามป่าเราจะรู้ว่าไอ้พวกแมลงที่เด็ดดอมกินใบไม้ดอกไม้เนี่ยมันเยอะจริงๆนนะถ้า พันก่อนก็เราบอกว่ า, วาทำไมท่านไม่ปลูกต้นนั้นไม่ปลูกต้นโนนผมก็อยากปลูกเหมือนกันแต่ว่าปลูกแล้วมแมลงมันกินหมดเนี่ยนะท่าบอกว่าผมไม่ปลูกมันรอกมันมีตัวอะไรเรียกว่าตัวบุ้งอะ่ะบุ้งอะตัวนอนขนอ่ะนะนอนขนที่มันจะมาเป็นผีเสือ้ไอไอ้ถามว่าผีเสื้อที่งดงามมาจากไหนก็มาจากตัวนอนเนี่ยนะพันไอตัวนอนเหล่านั้นที่มันกินใบไม้พันถ้าเรามีความเพลิดเพลินอยู่กับต้นไม้ใบหญ้ากเกิดที่ไหนดีท่าน ก็เวลานึกถึงต้นไม้ใบาย่านนึกถึงฐานศีลภาวนาพ่อนึกออกบ้างไหมถ้านึกไม่ออกก็ น, น, นะเตรียมสยายปีกได้แล้วเนี่ยนะบินว่อนอยู่แถวๆนั้นนะเป็นแมลงผู้แมลงผึ้งเป็นต้นเนะนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะหมูสัตว์เหล่านั้นเพมันสิ่งใดที่เป็นที่เพลดิดเพลินนึกว่าไม่มีอะไรนั่นแหละสู่ไปสู่เดรัจฉานก็ได้สู่ไปสู่นรกเปรตอสุรกายอย่างอื่นก็ได้ทั้งนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เป็นมนุษย์ที่หากินพืชผักใบไม้เนี่ยนะแม่ชีวิตกว่าจะอยู่ได้แต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่ใช่ง่ายนะอาหารนี่เราทานทานผักวัลกิกินเนี่ยนะแล้วต้องปลูกผักเท่าไหร่ก็จะมีผักกินตลอดชาติเนี่ยนะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายอะไรหรอกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าช่วงมีบุญก็บุ ญ, กบญกเก่าให้ผลก็บอกสบายเหลือเกินตอนหมดบุญก็มัวแต่สแสวงหาการกินอยู่ก็เลยลืมอีกอะนะเผลอเผลอไปลืมไปว่าเพราะมัวแต่ มัวแต่อยู่ด้วยความลุ่มหลงและงม ง, งายก็เลยเพลิดเพลินไปก็เรียกว่าสแสวงหาอะไรนะอย่างพวกเดรัชานทั้งหลายมันมัวแต่คิดว่าเออที่กินอยู่ที่ไหนมันคิดได้เท่านั้นจริงๆมันคิดเลยกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะโมหะกลุ่มกลุมตอนที่อยู่ดีมีสุขก็เพลินไปอีกทั้งความสุขทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินความทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงทั้งความเพลิดเพลินและความลุ่มหลงก็ทําให้วัฏ ต, ตะไหลไปเนี่ยนะ อันท่านพระโพธิสัตว์ท่า น, นบอกว่าวัตถุเป็นที่เพลิดเพลินนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวถามว่าทําไมจึงน่ากลัวเพราะนํามาซึ่งความลุ่มหลงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินใดนะที่จะไม่นํามาซึ่งความทุกข์มีบ้างไหมไม่มีหรอกน่ยนีเพลินเท่าไหร่ชื่นชมสิ่งนั้นเท่าไหร่ทุกเท่านั้นถ้าทุกเท่ากับเพลินเนี่ยนะถ้าเราเพลินสิบปีเราก็ทุกสิบปี ไม่ดีอาจจะทุกข์กว่านั้นด้วยซ้ําไปาทุกข์กว่านั้นนะทุกข์ในวัฏฏะด้วยนี่ยิ่งเพลนในเท่าไหร่ก็ทุกข์ในวัฏตะมากเท่านั้นแล้วถามว่าแล้วจะมีอะไรมั่งที่จะนําออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่จะนําออกจากกองทุกข์เหล่านี้ได้เพรา ะ, ะนั้นการเจริญเนคขัมมะนี้จึงเป็นคุณธรรมเพราะคาว่าเนคขัมมะเป็นชื่อของศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คืออโทสะสมาธิก็คืออโลภะปัญญาก็คือ อโมหะทำยังไงที่จะเจริญคุณธรรมคือคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธและความหลงทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นบทว่าปฏิตังมะมะความว่าความปรารถนาด้วยวัตถุกรรมนี้หรือจะบริสุทธิ์ด้วยการ บ, รรบาัญญัตินี้คือแยกทางเดินสองสายออกถ้าเราเดินคำว่าปรารถนาวัตถุกรรมก็คือปรารถนาด้วยโลภโทสะและโมหะ ไอ้วัตถุกามเนี่ยนะถ้ารู้มากมันกินไม่อร่อยนะเชื่อไหมนนะรู้เกินไปมันบริโภคไม่อร่อยต้องโง่ๆหน่อยมันจะสบายนะว่ามันจะได้มายังไงก็ช่างเถอะอย่างสมมุติเราไปทานทานอะไรเนี่ยนะถ้าเราไปคิดยาวๆมันกินไม่อร่อยครับคิดสั้นๆคิดเฉพาะหน้ามองสีก็สวยกลิ่นก็หอมถ้าอย่างนี้อร่อยมากแต่ถ้าคิดยาวมายังไงเป็นต้นแล้วจะไปยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ออร่ยพันวัดโลกของกามทั้งหลายจึงอยู่ด้วยความโลภความโกรธและความลุ่มหลงแต่ในโลกของการบริสุทธิ์ด้วยเนคขมมะคือการเจริญอโลพะอะโทสะและอโมหะเพื่อกําจัดความโลภความโกรธและความหลงก็มาแบ่งดูว่าชีวิตที่อยู่ด้วยสายโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงในที่สุดถ้ากําจัดความโลภความโกรธความหลงดีอย่างไรที่สุดคือคืออะไรแยกสองสายนี้ให้ออก นะพันคำว่าเนคคัมมะหรือการบันประชามไม่ใช่เน้นบวชแต่กายไม่ใช่ว่าไปเอาแต่ผ้าย้อมน้ำฝาดมานุ่ง ม, มาห่มแล้วจะประสบความสำเร็จไม่ใช่หรอกนเพราะนะพันคํคถามของเพื่อนคําถามของสหายเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งเราปรารถนาว่าท่านปรารถนาอะไรเล่าเพื่อนทาไมเพื่อนจึงเพื่อนปรารถนาอะไรทำไมเพื่อนจึงไม่บริโภคกามทำไมเพื่อนจึงไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ บทว่าอัฏฐกาโมเรานี่นะเป็นผู้ใค่ประโยชน์ต่อตนบอกตรงๆว่าเรากลัวบาปเพื่อนอะไเ้เรานี่เป็นผู้ใค่ประโยชน์ต่อตนก็แปลว่าเรากลัวบาปเพราะเพราะว่าผู้ที่หมกมุ่นนะนะเอาเอาง่ายๆว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีมีที่ไหนมัางไม่เพื่อนด้วยบาปมีไหลองไปหาว่ที่ไหนไม่เพื่อนด้วยความโลภความโกรธและความลุ่มหลงไม่เปื้อนด้วยโลภโทสะและ โมหะไม่ที่ไหนมั่งไม่เปื้อนด้วยปานาติบาตไม่เปื้อนด้วยอธินนาทานไม่แปดเปื้อนด้วยกามีสุมิชฌาจารไม่แปดเปื้อนด้วยมุสาวาตไม่แปดเปื้อนด้วยปิสุณาวาจาไม่แปดเปื้อนด้วยพุสวาจาไม่แปดเปื้อนด้วยสัมผัสปลาปะไม่แปดเปื้อนด้วยอภิชาพยาบาทและมิชฉาทิฐิที่ไหนไม่แปดเปื้อนด้วยอกุศลกรรมบทหาเจอไหมโดยที่สุดแม่แต่ในวัดเหมือนกันนะนะแม้แต่ในวัดใช่ไหเรื่อง มันแปดเพื่อนด้วยอกุศลกับมาบททุกขนทุกแห่ง ท, ทุกสถานที่ยิ่งยุคนี้ได้เห็นชัดเลยแปดเพื้อนไปด้วยอกุศลเนี่ยอกุศลมันมีกําลังมากจริงๆมีแต่สถานที่ที่แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเป็นผู้ผู้ไขประโยชน์ตนแปลงง่ายๆว่าเรานี้สงสารตัวเองถ้าหากว่าเราเหมือนว่าเดิมยาพิษชีวิตต่อไปในอนาคตคืออะไรก็เลยสงสารตัวเองว่างั้นเถอะ ไอ้ที่กลัวบาปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวตัวเองจะเดือดร้อนในตอนในตอนหลังๆนะสงสารตัวเองที่ตัวเองจะต้องไปทุกข์ไปลาบากในต่อไปเพราะฉะนั้นสหายที่รักเราเนี่ยนะเป็นผู้สแสวงหาประโยชน์ให้แก่เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ต้องการประโยชน์บทว่าปิดตรงมาตุจันจะสาวยงความว่าสหายของเราเหล่านั้นรู้ความพอใจในการบรนประชาของเราไม่เปลี่ยนแปลง ไอ้คนไปขอร้องก็รู้เลยนะว่าโอยเข้าไม่เลิกหรอกพูดยังไงเขาก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอัธยาศัยที่จะเจริญกุศลก็เลยบอกคําที่แสดงความประสงค์จะบวชให้แก่บิดามารดาบอกว่าพ่อแม่ทั้งหลายจงรู้เถิดมหากัรจนะ ก, กุมารจักบวชโดยส่วนเดียวเท่านั้นมหากัรจนะ ก, กุมาร น, นั้นใครๆไม่สามารถจะนําเข้าไปในกามทั้งหลายด้วยอุบายอะไรๆได้ ก็เหมือนว่าบางคนเนี่ยนะไม่รู้จะเกลี้ยกล่อมยังไงให้ดื่มสุราอธิบายยังไงก็ดื่มไม่ได้เพราะอะไรเพราะารู้พิษคื อ, ค, อคือดื่มสุราเนี่ยนะมันมีทุกโทษอย่างไรต่อไปคนที่บางคนเนี่ยนะทำยังไงฆ่าให้ตายก็ดื่มไม่ลงชั้นใดใจของบางคนที่น้อมไปเพื่อจะออกจากวัตถุกรรมก็ฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบทว่ามาตาปิตาเอวมาหกความว่าในครั้งนั้น พ่อแม่ของเราฟังคําของเราที่พวกสหายบอกแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเราทั้งหมดกบฏบ้างอธิบายว่าถ้าว่ามหาการจนะ ก, กุมารชอบใจในการบวชแม้พวกเราก็ชอบใจในสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะคือแสดงว่ามหาการจนะ ก, กุมารเนี่ยนะเป็นคนที่ที่เรียกว่าทำอะไรแล้วคนอื่นคล้อยตามได้นี่ถามว่า คนนียจะเป็นคนประเภทไหนต้องเป็นคนที่จริงจังมีความรู้มีความสามารถอยู่ในตัวมากมายพออธิบายจบว่าต้องกางอย่างนี้คนอื่นยอมตามหมดไม่ใช่ยอมแบบปล่อยออตามใจแต่ยอมเดินตามยอมที่จะปฏิบัติตามแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเนี่ยนะในที่สุดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติทั้งพี่ทั้งน้องบวชกันหมดเลยชวนกันไปบวชทั้งครอบครัว เราบวชเหมือนกันน้องชายทั้ง6มีอุปกรณ์นจะนะเป็นต้นและน้องสาวกันจะนะทีวีรู้ความพอใจในการบวชของพระโพธิศัตว์ได้ประสงค์จะบวชเหมือนกันเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นอันมารดาเชื่อเชิญให้ครองเรือนก็ไม่ปรารถนาไม่มีลูกคนไหนครองเรือนแม้แต่คนเดียวออกบวชหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหมดก็จะบวชเหมือนกันนะพราหมณ์ทั้งหลายในที่สุดผู้เป็นแม่ก็ชวนพ่อบวชอีก มารดาบิดาก็เรียกพระโพธิสัตว์แจ้งความประสงค์แม้ของตนของตนนั้นให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าแล้วก็กล่าวว่าพ่อแม่นะบอกว่าลูกรักถ้าลูกประสงค์จะบวชให้ได้ลูกจงสละทรัพย์80โกรอันเป็นของลูกตามสบายเถิดก็คือจริงๆก็จะยกสมบัติเหล่านี้ให้ทั้งหมดแล้วละเพราะฉะนั้นถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นของลูกแล้วนะตามใจลูกก็แล้วกันลูกจะทํำยังไงกับทรัพย์ที่มีอยู่ พระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์ก็บริจาคทรัพย์เหล่านั้นให้แก่คนยากจนและคนเดินทางเป็นต้นแล้วก็ออกบวชไปยังหิมมวันต่ประเทศมารดาบิดาน้องชายทั้ง6น้องหญิงอีกหนึ่งธาตุหนึ่งทาสีหนึ่งและสหายหนึ่งละคารวะได้ไปกับพระโพธิสัตว์บอกว่ามารดาบิดาทั้งสองและน้องหญิงชายทั้ง7ดของเราสละทรัพย์นับไม่ถ้วนเข้าไปยังป่าใหญ่ คนที่บวชเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีที่ทำกินไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะหาบริโภคเป็นต้นแต่ท่านแสวงหาว่าอะไรคือสาระและอะไรไม่ใช่สาระเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าคนที่มีอัธยาศัยในวัตถุกรมทั้งหลายใครที่มีอัธยาศัยในมหาพูดฟังแล้วไม่ชอบนะั่นเนี่ยฟังแล้วโกรธนัยนะอะไรกันเนี่ยนะ อุตส่าห์สปูย่าตายายอุตส่าห์แสวงหาทรัพย์สแสวงหาพวกสมบัติมากองเหล่านี้พ่อแม่ก็อุตส่าห์ดูแลมาจนถึงลูกหลานช่วยกันพลานเรียบสระทิ้งหมดเลยไม่มีเหลือพากันไปบวชหมดอย่างงี้ก็เจ๊งนะสิฟังเองอก ว, ว่าคนพานทั้งหลายทำใจไม่ได้ก็างงั้นแต่ว่าในชาดกท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์กับพี่น้องทั้งเจคนเนี่ยนะก็รอจนพ่อแม่ตายแล้วท่านเหล่านั้นจึงได้มีการออกบวช ครั้งนั้นชนเหล่านั้นมีพระโพธิสัตว์เป็นประมุขเข้าไปยังหิมม a w a ตรประเทศไปอาศัยสระบัวแห่งหนึ่งสะระบทมก็คือสระบัวนี่นะสร้างอาศรมอยู่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมบวชแล้วยังชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารอันเป็นรากไม้และผลไม้ในป่าบรรดานักบวชเหล่านั้นชน8คนมีอุปกรณ์นนะเป็นต้นผลัดเวรกันหาผลไม้แบ่งส่วนของตนและคนนอกนั้นเอาไว้บนแผ่นหินแผ่นหนึ่ง แล้วให้สัญญาระครังกปลว่าพอไปหาอาหารมาได้นะั้นก็แบ่งเป็นสมมติว่ามีสิบสองคนก็แบ่งเป็นส2บที่แบ่งเป็นสิบสองที่ข้อระครังแปล ว, ว่าใครพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเอาไปได้เลยเพราะว่าแบ่งเสร็จแล้วันทุกคนก็จะถือเอาส่วนของตนของตนไปยังที่อยู่เข้าไปบริโภคตามสบายพวกที่เหลือก็จะออกจากศาลา ด้วยสัญญาณระฆังถือเอาส่วนที่ถึงของตนของตนไปยังที่อยู่ของตนบริโภคเสร็จแล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมนันแหลก็วัดบางแห่งก็เป็นอย่า ง, างนี้นะไปบินทบาทได้อาหารมาก็ตั้งบนโต๊ะนิมนต์มาตักอาหารเสร็จใส่บาตรเสร็จก็แยกย้ายกันไปแต่พร้อมจะฉันเลยก็ได้ไม่ฉันก็ได้บางวัดก็มาฉันร่วมกันเพื่อจะได้ฟังธรรมอยู่ด้วยกันนั่นะฟังจบฉันไปด้วยฟังธรรมไปด้วยก็แยกย้าย ก, ก, กันไปตามสบายเนี่ยก็แยกกันไป ก็สุดแทแ้แต่แต่แต่ละแห่งแต่ตรงนี้กลุ่มรือสีเหล่านี้แบ่งอาหารเสร็จก็ะนะก็เอาไปบริโภคตามสบายต่อมาก็ได้นําเง้าบัวมาบริโภคเหมือนอย่างนั้นนะบางครั้งก็ไปเก็บเอาเง้าบัวก็คือรากบัวนะรากบัวหลวงเนี่ยรากใหญ่ใช่ไหมรากบัวเมืองจีนนี่เห็นไ่มใหญ่มากเลยน ะ, ะใหญ่เท่าโน้นมากนะเท่าหน้าเฟิร์สบางบางรากอนะบางรากนี่ใหญ่จริงจ ไม่ใช่เท่าหน้าเฟิร์สคือแอกของกลมๆอยู่ข้างหน้าเฟิร์สหรือสีเหล่านั้นเนี่ยมีความเพียงแก่กล้ามีอินทรีมั่นคงกระทำกะสินบริกรรมอยู่ณที่นั้นครั้งนั้นด้วยเดชศีของหรือสีเหล่านั้นพบของเท้าส ก, กาก็วันไหวเท้าสกากทราบเหตุนั้นก็คิดว่าเราจะทดลองหรือสีเหล่านี้ด้วยอนุภาพของตนจึงทาส่วนของพระโพธิสัตว์ให้หายไปตลอด3ามวัน อันนั้นก็ปกติมันจะมีส่วนแบ่งอยู่เท่ากันหมดอยู่แล้วใช่ไหมของพระโพธิสัตว์หายของพี่ใหญ่หายเหมือนกันในวันแรกพระโพธิสัตว์บอกว่าไม่เห็นส่วนของตนก็คิดว่าเขาคงจะลืมเราคิดง่ายๆนะก็ไม่ได้ก็คงลืมมั้งเขาไม่ไ ม, ไม่คิดอะไรก็คิดแค่นี้เสร็จแล้วก็ลืมเลิกเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยถ้าแต่ถ้าเราหิวนี่ทําไมนะทําไมทําไมสงสัยจะถามเป็นสิบครั้งยี่สครั้งไหมแต่นี้ท่านคิดครั้งเดียวก็พอละเขาคงลืมเราพอละ วันที่สองคิดว่าเอ้เราคงจะมีความผิดกระมังจึงไม่ตั้งส่วนของเราคงจะไล่เรากระมังแสดงว่าเราต้องพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่พวกนั้นไม่ชอบแน่นอนแสดงว่าประทวงจะไล่เราหนีวันที่สามก็เลยคิดว่าเราจักฟังเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วให้ขอขอมามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเรียกประชุมด้วยสัญญาระครังในเวลาเยน็นฤาษีทั้งหมดก็ประชุมกันด้วยสัญญานั้น อ่านะว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ก็เลยบอกเรื่องนั้นให้ทราบฤๅษีเหล่านั้นก็แบ่งส่วนแบ่งให้ทั้งสมวันนะบอกว่าพวกท่านแบ่งส่วนแบ่งเอาไว้ให้เราแต่เราไม่ได้นี่มันเรื่องอะไรกันทุกท่านหามาท่านก็แบ่งให้เราตลอดนะทำไมเราจึงไม่ได้ฤๅษีทั้งหมดฟังแล้วก็สังเวชใจโอ้พี่ชายไม่ได้ฉันมาสามวันอัานะวันที่สมตอนเย็นของวันที่สามไม่ได้ฉันเลย อาสมนั้นแม่ลูกเทวดาก็ลงจากพี่พของตนมานั่งในสำนักของฤาษีเทวดาก็มานั่งอยู่ด้วยช้างเชือกหนึ่งก็ห น, นี้มาจากเงื้อมมือของพวกมนุษย์เข้ามาป่าช้างออกมาด้วยวานอนตัวหนึ่งนี้มาจากเงื้อมมือของหมองูพ้นมาแล้วเนี่ยนะคือลิงตัวหนึ่งมันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งลิงเนี่ยหมองูก็จับมาจะให้ลิงกับงูมันเล่นกันทีนี้เวลาจะฝึกงูให้เล่นกับลิงหรือว่าฝึกลิงให้เล่นกับงูเนี่ยนะก็ต้อง ทรมานลิงให้มันเชื่องมีการโบยมีการเขียนมีการตีลิงลิงจะได้ยอมเล่นกับ ง, งูเพื่อจะได้จะได้อานิสงส์จะได้ลาบได้อะไรเป็นต้นลิงกลัว น, นี้มาอยู่ป่ากับพวกรือศีเพราะฉะนั้นทั้งลิงทั้งช้างก็มาสนิทสนมกับรือีกลุ่มนี้ครั้งนั้นก็ไปหารือีเหล่านั้นยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นอุปกรณ์นจนะดาบทน้องคนที่สองของพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นไหวพระโพธิสัตว์ แสดงความเคารพอย่างนะแล้วก็ถามขึ้นว่าข้าพเจ้าเริ่มตั้งสัญญาณแล้วเพื่อจะยังตนให้บริสุทธิ์หรือนะเขาบอกว่าจะให้ข้าพเจ้าสาบแช่งตัวเองไหมแปลภาษาไทยว่าจะให้สาบานไหมสาบแช่งตัวนี้ก็คือสาบานให้ข้าพเจ้าสาบานไหมว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยของพี่ไปเลยอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่านะคแช่งของเขานี่อ คนทั่วไปปรารถนากันเหลือเกินอันนี้ไม่ใช่แช่งนี่มันขอพรชัดๆเลยว่า ง, งั้นมาดูนะเขาแช่งว่าท่านพราหมณ์คือบอกพี่ชายใหญ่นะท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงได้มาจงได้โคจงได้ทองจงได้เงินแล้วก็ได้ภรยานะและสิ่งที่น่าพอใจนะที่นี้จงพรั่งพร้อมไปได้วยบุตรและภรยาเถิด โอยถ้าหากว่าผู้ใดเอาเง้าบัวไปนะก็ขอให้สมบูรณ์มีลูกมีเมีย ม, ม, ม, มีข้าทาสกรรมกรูดมีข้าวของสมบูรณ์พูนสุขหมดเลยเพราะอะไรทําไมจึงสาบแช่งเช่นนั้นเพราะว่าอุปการชนะดาบทคนนี้เนี่ยตำเนียตาเนีแปละวะ่าติเตียนรังเกียจวัตถุกรรมว่าทําไมจึงรังเกียจวัตถุกรรมเหล่านี้ทําไมจึงรังเกียจการมีบุตรมีภรรยามีมะ ม, มีโคมีทองมีเงินเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดมาย่อมเกิดเพราะในการพลัดพรากจากวัตถุอันเป็นที่รักก็คิดดูนะสมมติถ้าเรามีม้าตัวที่งามราคาสูงทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ม้าตัวนี้เสร็จแล้วม้ามันหายอ่ะกินอิ่มนอนหลับไหมสบายใจไหมสักสามวันเนี่ยสบายอย่างเดียวเลยนะเครียดอย่างเดียวสามวันอันนี้แน่นอนนะม้าเนี่ยสมัยใหม่ก็รวมถึงรถด้วยมีรถสแสวงหาก็จะได้คันนั้นมาในร้องให้เลยนะ ถ้ามันหายไปหรือมันไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแหละก็เหมือนกันใครมีเงินมีทองแล้วสมมติในที่สุดทั้งเงินทองนั้นเสียหายไปอะ่ะแค่อะไรก็สังเกตดวูวางกระเป๋าสตางคนะ์แลเอ็นอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้หายสักหน่อยอะนะแค่นั้นก็มีมความผาสุขแล้วเนี่ยนะท่นถามว่าแล้วคนที่มีภรรยาละ่ะบอก ว, ว, ว่าเห็นคุยกับคนอื่นก็กลุ้มจะตายอยู่แล้วเหมกันบางคนก็ว่างอัางงาน เพราะฉะนั้นการมีสิ่งเหล่านี้มีเท่าไหร่มันก็ทุกมาเท่านั้นยิ่งมีก็ยิ่งทุกเพราะอะไรเพราะการพลัดพรากจากวัตถุอันเป็นที่รักมันมีความทุกข์เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าที่สุดของ darum, ทุกสิ่งมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นขออย่าได้มีสิ่งเหล่านั้นเลยคือที่กำลังเกลียดสิ่งเหล่านี้จริงๆอะนะไม่พูดตรงๆเนี่ยไม่ได้รังเกียจตัวเหตุจริงๆเนี่ยจริงเกลียดรังเกียจผลที่เกิดจากเหตุตรงนี้ก็เลยพานรังเกียจเหตุส่งไปเลยว่างั้นน่ย เพราะรังเกียจผลจึงรังเกียจต้นเหตุอนนะไรผู้ฤสีได้ฟังอย่างนั้นก็ปิดหูโอ้ท่านผู้นีร้ระทุกท่านอยพูดอย่างนั้นคนํานี้ท่านสาบแช่งท่านหนักเกินไปโอ้เป็นคํำสาบจะหยาบที่สุดหนักที่สุดเพราะถือว่าถือว่าการมีสิ่งเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยจมที่ไหนก็จมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ด้วยน้ําตานั่นแหละจริงๆอะถ้าจมอยู่แค่น้ําตาก็ไม่เท่าไหร่นะจมอยู่ด้วยคราบเลือดแล้วก็ จมอยู่ในอบายด้วยเป็นต้นเนี่ยนะ <c oughs> อย่างเช่ น, นอย่างคำว่ามา้าโ ค, โคทองเงินพริยาบุตรเป็นต้นเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องแล้กุศลกรรมบทเจริญเลยใช่ไหมโดยมากโดยมากจริงๆริงไเมื่อเกี่ยวข้องกับกับทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยกุศลกรรมบทตลอดเวลาบอกไม่โดยมากก็เกี่ยวข้องด้วยบาปแล้วอกุศลอกุศลให้ผลเป็นสุขมีหรือไม่มีรอกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเมื่อใดที่อักุศลยังไม่ให้ผล เหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ยังไม่แปลสภาพเป็นนมบูดฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยดูดีเหมือนกับอาหารเนี่ยนะเคยปรุงอาหารสุกใหม่ๆไหมหอมกรุ่นเลยอร่อยดูดูแล้วเห็นหนาอร่อยน้ําลายไหลอาหารถ้วยเดียวกันนั่นแหละแกล้งลืมสักเจ็ดวันวนะนแล้วกลับไปทานอาหารเที่ยวถ้วยนั้นได้ไหมทําไม อาหารบางอย่างเขาไม่ได้อาจจะขนมปังแห้งอันนี้อาจจะได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสดนี่ไม่ทําใจไม่ได้แน่นอ น, นอน ะ, อะ น, น, อนะษาเหมือนอะไรนะทำข้าวต้มทรงเครื่องไว้นะแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้ด้วยหอมกลมเดียวจะมาทานเนี่ยนะลืมสักเจ็ดวันนะกลับมาใหม่อมอะไรไม่รู้ยุ่ยเยี่เต็มจามไปหมดเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะในที่สุดมันก็นํามาซึ่งความทุกข์จนได้ทันบอกว่าท่านจะไปสาบแช่งท่านหนักเกินไป พระโพ ธ, ธิสัตว์ก็บอกว่าคำแช่งของท่านเนี่ยหนักเกินไปอย่าเอานะอย่าเอาเลยอย่าได้เป็นแบบนี้เลยไม่ต้องแช่งขนาดนี้หรอกว่าเงินแต่เชื่อไว้อันนี้มันคำขอพอรสมัยใหม่เขาไปาไหว้พระแล้วก็ขอพวกนี้แหละเนี่ยนะแปลกนะไอ้สิ่งที่สมัยก่อนเขารังเกียจเป็นสิ่งที่สมัยใหม่เพลิดเพลินและยินดีเ้าแสดงว่าคนสมัยใหม่ยินดีรับทุกยินดีที่จะทุกจะทุกแค่ไหนก็ช่างมันเถอะขอให้มีก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนย ค่อยแก้ปัญหาตอนท้ายๆขอให้มันมั่งมีก่อนว่างั้นขอให้ได้มาได้โคเป็นต้นก่อนนี่ฤาษีคนที่สองก็แช่งนะน้องคนที่สองก็แช่งต่อไปน้องคนที่หนึ่งแช่งไปแล้วน้องคนที่สองก็ทำการสาบแช่งว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเง้าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงทรงไว้ซึ่งมาลัยและจันแดงจากแคว้นกาสีประสบแต่สมบัติเป็นอันมากานนะ จงมีแก่บุตรจงทำความเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าในกามทั้งหลายห ม, มายคาอว่าคำพูดนี้นะถ้าหากว่าใครขโมยนะขอให้มีแต่ดอกไม่พวงมาลัยของหอมอะนะจันแดงก็คือเป็นแป้งฝุ่นชั้นดีว่างนั้นเถอะแล้วก็ประสบแต่ทรัพย์สมบัติมีแต่ลูกมีลูกเลิศเนี่ยนะจิตใจหมกมุ่นคิดถึงแต่ผูกพันแต่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดไป บอโอ้ยนี่เราคำแช่งอันนี้หนักมากอย่าเลยอย่าแช่งแบบนี้เลยเนี่ยนะก็แสดงว่าสิ่งที่โบราณเคารังเกียจเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่ยินดีเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยนะยินดีอุปมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนแมลงเมาที่ยินดีในกองไฟฉะนั้นสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสมัยใหม่บอกว่าโอหเป็นสิ่งที่น่าเชื่นใจมางั้นต่อไปบอกท่านพราหมณ์น้องเออคนที่คนที่สามใช่ไหม คนที่สาบอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเง้าบวกของท่านขอให้ผู้นั้นจงมีข้าวเปลือกสมบูรณ์ด้วยกสิกรรมทำไร่ทำนามีข้าวเต็มยุ่งเต็มช้างสิบช้างยี่สิบช้างโอ้ยสมบูรณ์ไปด้วยข้าวมั้งมียศมียศก็คือมีบริวารยศมีตำแหน่งใหญ่โตจงมีบุตรจงเป็นเครือขัดจงมีทรัพย์จงได้สิ่งที่น่าปรารถนาะไม่เห็นความเสื่อมในการ ครองเรือนให้สมบูรณ์พูนสุขมากว่าแม้แต่คําว่าคิดจะออกไม่มีเลยะนะหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นตลอดไป <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้ได้สมความปรารถนาก็บอกว่าหน้าคิดในะสมัยใหม่เนี่ยก็บอกว่าบางทียิ่งแก่แล้วยิ่งโลภเพราะฉะนั้นขอให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งแก่แล้วจิตใจ ย, ยิ่งหมกมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นมันน่าคิดนะเคเห็นเขามาเคยเห็นคนที่อายุมากแล้วเจ็ดสิบขึ้นไป ขายของงกงกๆลูกลานห้ามขนาดไหนใจก็ไม่ยอมมีแต่ต้องการแล้วก็มันกําไรมันก็ดีด้วยเลยกาไรดีมานั่งคิดลูกคิดเป็นตัวเลขแล้วมันได้เยอะอะ่ะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกแต่ว่ามันเยอะในที่สุดก็ตายคาสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้าพเจ้ารักเงาบัวของท่านขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะคือถ้ามองแบบคนที่มองการไกลจริงๆมันน่าสงสารขนาดไหนถ้ามีจิตใจหมกมุ่นอยู่ด้วยกับข้าวเปลือกกสิกรรม คิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่ทรัพย์สมบัติคิดถึงอะไรก็มีแต่หน้าพอใจไปหมดถ้าตายแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่จะเป็นอารมณ์ของชาติหน้าต่อไปอย่างไรควรจะเกิดที่ไหนดีน้องคนต่อไปก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเง่าบัวของท่านขอให้ผู้นั้นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดานะกษัตริย์เป็นผู้ทำการข่มขีจงเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาเป็นพระราชาที่ทรงพลังมียศ ปกครองแผ่นดินพร้อมด้วยทวีปทั้งสี่เป็นที่สุดบอกถ้าผู้ใดลักเงาบัวของท่านขอให้ผู้นั้นเป็นพระเจ้าจักพรพรรดิเอางั้นเป็นพระเจ้าจักพรพรรดิที่มีความสุขมากที่จริงนะพูดแบบภาษาเราเราบอกอนี่มันดีขนาดไหนใช่ไหมแต่ถามว่าสุขในกามถ้าเทียบกับสุขในฌานเอาเอางี้เลยว่าสุขสุขในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ว่าสบายเหลือเกินกับสุขในพรหมโลกต่างกันไหม แล้วสุขในพรหมกับสุขแบบนี้ไหนดีกับกันยังไงนะเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคําที่คําเหล่านี้ที่เรียกว่าหนักเพราะท่านเหล่านั้นปราถนาพรหมโลกกันท่านเห็นว่าพรหมโลกเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมพ้นการมีสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็นํามาซึ่งน้ําตานํามาซึ่งความทุกข์ในวะะัฏฏะพ้นการบอกว่าขอให้หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงเป็นคําแช่งที่โอ้โหติดที่คําที่หนักมากเนี่ยนะ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเงาบัวของท่านขอให้ผู้นั้นเป็นมหาพราหมณ์คือเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอาจารย์ของพระราชาและเป็นเป็นคนที่ยังไม่ปราศจากราคะชุ่มด้วยตัณหาจงขวนขวายในการดูเรื่ยามในวิถีโคจรแห่งดวงดาวนักศึกษาเป็นผู้ผู้เป็นเจ้าแห่งแว่นแคว้นมียศแล้วก็คนก็บูชานับถือกราบไหว ไปที่ไหนก็มีแต่คนนับถือไปที่ไหนก็มีแต่คนมาถามเรื่องถามยามถามเวลาถามเกี่ยว่าเศรษฐกิจธุรกิจอะไรเป็นต้นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับอย่างนั้นตลอดไปบอกโอ๊ยทําใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเขารังเกียจที่จะเป็นแบบนั้นนะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเง่าบัวของท่านโลกทั้งปวงจงสําคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้คงแก่เรียน เป็นผู้มีเวทพร้อมด้วยมนต์ทุกอย่างเป็นผู้มีตาบะชาวชนบทพิจารณาเห็นแล้วก็จงบูชาผู้นั้นก็แปล ง, ง่ายๆว่าถ้าผู้ใดรักเงาบัวของท่านขอให้ท่านเป็นคนที่เจริญขอให้คนมองเห็นว่าคนนี้เป็นคนเก่งคนรู้คนฉลาดไปที่ไหนมีฝูงชนห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลั ง, ลลงแบบนักฟุตบอลนะ่ะนะล้อมหน้าล้อมหลังไปที่ไหนคนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยแบบนั้นแต่มีแต่คนนับถือมีแต่คนยอมรับมีแต่คนยกย่องไปก็ไ ป, ไปนั่นนะ หลายคนเนี่ยถามว่าลืมตายเลยเนะี่เอาในที่สุดนะถ้าถ้ามีคนไปที่ไหนก็มีแต่คนย้อนรับเชื้อเชิญล้อมหน้าล้อมลังชีวิตก็หมดไปวันวันหนึ่งละหมดไปในที่สุดเนะี่ยถึงวันตายแล้วจะรู้ว่าไม่ได้อะไรนไมนะไม่เชื่อเหมือนกราไปงานคอนเสิร์ตมีแต่คนล้อมหน้าล้อมล้างล้อมหน้าล้อมลัางอุย้ยมีแต่คนยื่นชมะนะในที่สุดพอถึงวันตายอะไรจะเกิดขึ้นเหลือแต่ความเศร้าเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นคําแช่งที่หนักหนาสาหัสมาก คนหนึ่งบอกท่านพรามผู้ใดได้ลักเง้าบวกของท่านผู้นั้นจงบริโภคบ้านสวยอันหนาแ น, น่นไปด้วยสิ่งทั้งสี่เพียบพร้อมบริบูรณ์มทีที่ท้าวาสวะประทานจงไม่ปราศจากราคะขอให้จมอยู่ในกามจนตายเหมือนอะไรระบอกอาตท่านบอกว่าเหมือนสุกรที่จมอยู่ในหลุมคูดหลุมอะไรนะหมูหมูจมปลักกาแฟเห็น ขอให้มีจิตใจหมกมุ่นในเรื่องกิเลสจนตายเหมือนกันเถอะตรงนี้เขาบอกว่าที่บอกว่าขอให้นานแน่นไปด้วยบ้านสวยสี่อย่างนะนานแน่นสี่อย่างคือหนึ่งเป็นชุมชนที่มีคนมากสองมีข้าวเปลือกเยอะมีไม้หาได้ง่ายน้ําก็ก็แปลว่าขอให้เป็นผู้เก็บภาษีในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะเก็บภาษีในบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีจิตใจหมกมุ่นแต่สิ่งนั้นจนตาย ถือว่าเป็นคําแช่งที่หนักมากนะถ้าสมมุติถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะคิดถึงสิ่งนี้จนตายเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเกิดที่ไหนดีเราลงเรือกถ้ามีแบงก์เป็นอารมณ์นี่มันเกิดที่ไหนดีมีสตังเป็นอารมณ์อนะมีแก้วมีแวน่นมีเงินมีทองมีเข้าเปลือกเป็นอารมณ์แล้วตายนี่เกิดที่ไหนดี <c oughs> เกิดเป็นหม้อเถื่อนจะยุ่ง <c oughs> นะอะถ้ามีมีน้ําเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนเป็นปลา <c oughs> เป็นต้น ไอสิ่งที่เราว่าดีๆถ้าไปตายแล้วไปเกิดณที่นั้นจริงๆเอาไหมอย่างเงี้ยนะโอ้ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีพรหมเป็นอารมณ์ตายแล้วไปเกิดเป็นไรฝุ่นอยู่ในพรหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะแต่ไม่เอาอ่ะแต่ชอบทําเหตุเพราะอะไรเพราะศาตร์ทั้งหลายชอบคิดถึงแต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้ น, น, นก็เนื่องจากไม่มีอริยท ร, รัพย์อะไรเลยไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีเครื่องปลื้มใจก็จิตใจก็หมกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นในที่สุดจะไปไหนไปไหน ไม่ต้องแปลกใจเราอบายจินเยอะขนาดนี้มันจะต้องปัดฝุ่นดูดฝุ่นประจำใช่ไหมมันมีไรฝุ่นเยอะอ่ะเพราะจิตใจของสัตว์มันหมกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นมากในที่สุดก็ปฏิสนธิอยู่แถวนั้น <c oughs> อีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดรักเง่าบัวของท่านขอให้ผู้นั้นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจงบันเทิงอยู่ด้วยการฟ้อนรำนะ การขับร้องท่ามกลางสหายผู้นั้นจะได้มีความเสื่อมเสียอะไรๆจากพระราชาก็แปลว่าขอให้เป็นคนที่อยู่ในการเต้นอะไรนะดูการร่อรายรําขับร้องฟ้อนรําอยู่อย่างมีความสุขถ้าพูดแบบชาวโลกตอนนี้ก็บอกขอให้ไปอยู่ในรัฐรัฐอะไรดีรัฐที่มีการเล่นการพนันตลอดอะไรมีแต่แหล่งบันเทิงมั่วสมเตมเอะนะรัสเวกสใช่ไหม ขอให้อยู่ความสุขอยู่ตรงนั้นนะ่ะจนต า, ายอยู่ที่นั้นนะ่ะนะมีความสุขเพียบพร้อมได้วยความบันเทิงเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่ที่นั้นนะหรืออีกในหนึ่งแบเป็นเจ้าของเป็นคนที่ดูแลโรงหนังอยู่ในโรงหนังจนต า, ายอ่างันะ้นนะเพลิดเพลินมีความสุขนาดูแลคนนั้นดูแลคนนี้จัดคนนั้นอุ้ยหนังก็มีแต่หนังที่ตัวเองชอบใจมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะมีแต่หนังที่ตัวเองเกิดมาอยากดูทั้งหมดทุกเรื่องดูแล้วมีความสุข จิตใจกระแสส่งจิตไปตามกระแสหนังทุกขั้นทุกตอนทุกกระบวนการวิถีการโอ้ดีจริงๆเลยเอาไหมนะตอนนี้รอ <c oughs> ตอนพอฟังทำนะพูดอี ก, อ, กอีกสายหนึ่งนะจึงเห็นว่าโอ้อยากจนแต่ว่าเชื่อก่อนก็หมกมุนอยู่ในโรงหนังนะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกนะนี่ก็เหมือนกันถ้าคนที่เพียบพร้อมไปอยู่ด้วยอย่างนั้นถนะ้าวันตายแล้วจะรู้สึกว่าไง เพรนถ้าหาว่าเพระพร้อมไปด้วยสิ่งเหล่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําแช่งที่หนักมากนะเรียกว่าตายคาสถานเรืองรมงกน์นั่นเองอีกคนหนึ่งบอกท่านพราหมณ์อันนี้นี่น้องสาวแล้วนะในคนที่แปดก็คือน้องสาวน้องสาวคนเล็กได้แช่งว่าท่านพรามหญิงใดไ ด, ได้ลักเง่าบัวของท่านขอให้หญิงนั้นเป็นอัคราฉายาจงชนะหญิงทั่วปตัตภีดํารงอยู่ในความเป็นผู้เลิศกว่าหญิงเป็นพัน จงเป็นผู้ประเสริฐกว่าหญิงทั่วแดนก็แปลว่าถ้าใครหญิงใดรักเง่าบัวของท่านขอให้หญิงนั้นเป็นราชินีนะเป็นที่เคารพมีคนล้อมล้อมหลังไม่มีเวลาส่วนตัวเลยมีแต่คนนับถือมันก็มัวแต่รับแขกกันนะวันวนหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องคิดถึงศีลสมถาวิปัสสนาไปที่ไหนมีแต่งานงานงานงานเบีย น, นเป็นอะไรนะนักนั ก, นกสังคมที่เรียกว่าคนล้อมหน้าล้อมหลังลอหน้าลอมหลั ง, ล ง, ล ง, ลงไม่ต้องมีเวลาพิจารณาอริยศาสกันาระหว่างนั้นชีวิตหนึ่งนะ มีไหมคนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วมาชวนคุยอริย้สัตว์มีไหมฮะอยากเต็มที่คุยเรื่องดอกไม้เรื่องค้องหอมเรื่องผ้าไหมในที่สุดก็ไปในนอกระนิคิดเอาครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าหญิงใดที่รักเง่าบัวของท่านขอให้หญิงนั้นเป็นอักษรฉายาแปล ว, ว่าอาักษรเฮสีที่ยิ่งใหญ่มากในแผ่นดินเนี่ยนะอะไรนะเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งของประเทศนั้นๆของโลกก็ได้เออีกคนหนึ่งอีกคนที่ก้าวเขบอกว่า ท่านพราหมหญิงใดได้ลักเงาบัวของท่านหญิงนั้นไม่หวั่นไหวบริโภคของอร่อยท่ามกลางฤาษีที่ประชุมกันทั้งหมดจงเที่ยวอวดด้วยลาบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหญิงใดลักเงาวัวของท่านให้หญิงนั้นนะจิตใจเนี่ยหมกมุ่นกับการกินกินไม่มีเลิกมีราเคี่ยวกินอยู่ตลอดเวลาเคียยเเค้ยวและกลืนเคี่ยวและกลืนอยู่ตลอดเวลาแล้วเจอแต่ของที่อร่อยที่สุดด้วยนะเกิดมาอยา ก, กินอย่างนี้มานานละดูละ ถ้าใจหมกมุ่นอยู่กับการกินกินได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ย น, น้ำหนักเนี่ยนะสามเดือนจะเป็นยังไงเนาะสิบเดือนไปสามปีนะกินแต่ของที่ตัวเองชอบใจยอย่างมีความสุขอ ร, อร่อยอร่อยสักห้าสิบปีนี้น้ำหนักเท่าไหรด่ดีคิดแล้วเศร้าเลยต้องเอาตู้คอนอะไรนะเอารถโฟล์ลิฟต์มายกออกไปแนะ่นอนนะถ้าขนาดนี้แนละ้วขณะเดียวกันก็จงเที่ยวอวด จงเที่ยวอวดด้วยลาบนะครโมโอ่างนั้นเถอะคือแต่งตัวน่ารักเพราะลาบเป็นเหตุก็เที่ยวไปเพื่อให้เกิดลาบสแสวงหาแต่ลาบมีความมกมุ่นอยู่แต่กับการการอยู่การกินบันหญิงใดรักก็ขอให้หญิงนั้นเป็นอย่า ง, ง น, นั้นเถอะเนี่ยนะแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้คนสมัยใหม่เขาขอกันเหลือเกินนะเนี่ยแต่ว่าท่านบอกว่าโหสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่า น่ากลัวมากถ้าหากว่าจิตใจเนี่ยนะวันวันหนึ่งเต็มไปด้วยแต่ของกินในปากมีแต่ของที่อร่อยที่ตัวเองชอบที่สุดเลยนะถ้ามีรสะมีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นไหนดีเนี่ยนะก็เป็นสัตว์ที่เกิดได้กินได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเง่าบัวของท่านขอให้ผู้นั้นจงเป็นโลกทั้งโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเขาอาศาัยอยู่ในคชังคละวินครเป็นพระสังฆทีระแปลว่าผู้ดูแลวัดในมหาวิหารประมาณโยชนหนึ่งทาการก่อสร้างวิหารได้รับทุกอย่างหนักอันนี้หมายถึงอะนะอดีตชาติเนี่ยสร้างวัดเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเจ้าว่าสร้างวัดใหญ่ๆ ใ, ใ, ใครว่ามีความสุขนะเชื่อเธอเนี่นะฮ้ยคิดหาประตูหน้าต่างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็เดือดร้อนแนนะนะ แกะสลักยังไงแกะว่ายังไงที่ไหนใครแกะได้แกะแล้วมันราคาเท่าไหร่ใครจะเป็นเจ้าภาพเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ทุกข์มากเลยพราะฉะนั้นก็บอกว่าใครรักเง่าบัวของท่านก็ขอให้เป็นเจ้าวาดเดือดร้อนอย่างนี้นะท่านก็แต่เชื่อไหมโหแย่งกันเป็นหน่าดูเลยแต่เทวดารุ ก, กเทวดานี่เขาเสีย ใ, ใจมาก น, นะ ถึงกระสาบแช่งนะว่าถือว่าโหดร้ายทารุณมากนะถ้าได้เป็นเจ้าวาดนี้ยเชื่อเหอะอยากแก่เร็วๆเลยสมมติว่าพระนมถ้ามีความสุขนะอยากแก่เร็วๆอยากด้าดําม่ําเครียดทุกข์มากๆนะเป็นเจ้าวาดเถอะยิ่งใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โจต่เร็วเท่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดรักเง้าบวกของท่านก็ขอให้ได้เป็นเจ้าวาดยินดีในการก่อสร้างเองนั่นนหะแต่จริงตอนก่อสร้างมันสนุกดีนะโอ้ยสร้างนะ มือนเนรมิต ท, ทีละหลังสองหลังสามหลังขึ้นมาเรื่อยๆ อ, ย อ, ยอสบายจะตายแต่ตอนเช็ดตัวเธเหงื่อท่มไปวันนั้นนะจากที่ น, นั่นะช้างก็บอกว่าช้างแช่งมั่งช้างมาแช่งแบบท่านพราหมณ์ช้างใดได้ลักเงาบ่วงของท่านขอให้ช้างนั้นถูกคล้องด้วยบว่วงร้อยบ่วงในที่หกแ่ง6กแ่งก็คือที่เท้าทั้งสี่ที่คอและที่เอวนนะ จงนำออกจากป่าอันรื่นรมไปสุราชฎธานีช้างนั้นจงถูกเบียดเบียน ด, ด้วยขอมีด้ามยาวเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าช้างใดที่ชื่อช้างตัวนี้เกลียดการอยู่หมูอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจนะรังเกียจมากเพราะั้นถ้ารักเงาบัวก็ขอให้ได้กลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมเถอะนะไปถูกที่เรียกว่าถูกบ่วงถูกคล้องเจ็บปวดนะนะพญาลิงมั่งวานนอนก็บอกว่าท่านพราหมณ์ วานอนใดได้รักเง่าบัวของท่านขอให้วานอนนั้นจงประดับดอกรักที่คอที่หมองูเอามาคล้องเอาไว้เนี่ยนะประดับดอกรักที่หลังหูประดับด้วยดีบุกถูกเขี้ยนด้วยไม้เรียวจงนำเข้าไปต่อหน้างูผูกติดกับผ้าเขียนพุงเที่ยวไปตลอดเนี่ยนะแปลว่าเขาเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นลิงที่เป็นลิงเล่นระบากับงูนะ ขอให้ถูกเคี่ยนถูกตีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเคยเห็นไม่ลิงบางตัวที่เป็นลิงที่เป็นลิงนักแสดงอะนะถูกจับถูกเคี่ยนถูกโบยถูกตีเพื่อฝึกในการพันถ้าข้าพเจ้าลักเงาบัวขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนี่ยน <c oughs> ะพระโพธิสัตว์เนี่ยพอฟังพอฟังว่าฤาษีทั้งหมดตลอดจนถึงช้างและลิงก็พากันสาบแช่งอย่างนี้แล้วเออเดี๋ยวเราแช่งบ้างดีกว่า คราสาบแช่งบอกว่าพูดสมมติถ้าตัวเองแช่งถ้าถ้าตัวเองแช่งบอกว่าถ้าผู้ใดกล่าวสิ่งที่ไม่สูญหายว่าสูญหายคือจริงๆแล้วหาจริงๆแหละแต่ถ้าบอกว่าถ้าพูดไม่จริงเหมือนนั้นเถอะผู้นั้นแหละจงได้บริโภคกรรมทั้งหลายนะบริโภควัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมมีจิตใจหมกมุ่นหรือว่าฆ่าแต่เทวะผู้เจริญผู้ใดไม่เคลือบแคลงอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นั้นจงเข้าถึงมรณะในท่ามกลางเรือนเถอด อันนี้เป็นคําที่พระโพธิสัตว์พูดเนฆัมมะบารมีเนี่ยนะเนฆัมมะมัต้องการออกบวชโดยส่วนเดียวใช่ไหมบอกว่าถ้าผู้ใดพูดอย่างนั้นนะขอให้ตายกลางบ้านตายกลางบ้านล้อมหน้าด้วยล้อมหลังด้วยลูกด้วยหลานเป็นต้นเนี่นะคิดว่าจะเกิดในพรมโลกได้ไหมหมดสิทธิ์แน่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดพูดว่าไอของที่ไม่หายบอกว่าหายก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะพอฤาษีสรุปว่า เท้าส ก, ก่าเนี่ท้าส ก, ก่าเป็นต้นเหตุใช่ไหมที่ที่ทำให้ของหายเนี่ยนะท้าส ก, ก่าทราบว่าฤาษีทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีความเพ่งเล็งในกามทั้งหลายก็มีความสดใจะนะเมื่อจะแสดงแก่ฤาษีว่ า, าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งนําเง้าบัวไปรอกในในบรรดาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วไม่มีใครเอาไป แม้ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่สูญหายว่าสูญหายที่แท้และข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองท่านจึงได้ทําให้หายก็เลยกล่าวคาถาว่าข้าพเจ้าจะทดลองก็เลยถือเอาเงาบัวของฤาษีที่ฝั่งแม่น้ําไปเก็บไว้บนบกฤาษีทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่ลามมกอยู่อาศัยผลสรุปว่าคนในถิ่นนี้ทั้งหมดดีหมดเลยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติศีลกัลยาณธรรมเป็นอย่างดีนี้เงาบัวของท่า น, น, นนะก็เอาเง้าบัวมาให้ดู พระโพธิสัตว์ไม่เล่นด้วยสิหรือสี R อะไรนะเท้าสาก่าเล่นแต่พระโพธิสัตว์เป็นต้นไม่เล่นด้วยก็เลยบอกว่าท่านเทวราชผู้เป็นเท้าสหสัสไนเท้าคมว่าสหัสไนเนี่ยเรยามีในตาตั้งพันเนี่ยนะนยัยยะแปล ว, ว่าตาไนยนาตาสหัสสะแปล ว, ว่าพันมีในตาตั้งพันแปลว่าคิดรวบแป๊บเดียวเนี่ยคิดได้พันเรื่องก็เลยเรียกว่าสหสัสไนเนี่ยนะหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยคิดได้เป็นพันเรื่องฉลาดขนาดนั้นอ่ะนะเทวราชผู้เป็นสหัสไน พวกอาตมาเนี่ยนะไม่ใช่นักฟ้อนรําของท่านไม่ใช่ผู้ควรจะพึงเล่นของท่านไม่ใช่ญาติของท่านไม่ใช่สหายของท่านที่พึงทําการรื่นเริงท่านอาศัยใครจึงเล่นกับพวกฤๅษีฤๅษีเหล่านี้ไม่ใช่นักฟ้อนของท่านเลยนะไม่ใช่ของเล่นของท่านนะไม่ใช่ญาติของท่านเลยไม่ใช่เพื่อนด้ยวยมาหยอกเย้าฤๅษีเล่นอย่างนี้ทําไมเนี่ยนะถือว่าเป็นคําที่เรียกว่าอะไรนะ ดาเจ็บปวดที่สุดในบรรดาคําด่าทั้งหลายไม่ใช่เพื่อนเล่นสักหน่อยเป็นต้นเลยนะเท้าสักกะก็เลยขอให้ฤาษีเหล่านั้นยกโทษ ด, ด้วยพระดํารัสว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นดังพรหมท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าและเป็นพ่อของข้าพเจ้าเงาเท้าของท่านจงเป็นที่พึ่งแห่งความผิดพลาดของข้าพเจ้าโอ้ยสานึกผิดอย่างแท้จริงเลยนะบอกขอเอาเรียกว่าเอาเงาเท้าเป็นสาระนะ ท่านผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินขอให้ท่านจงอดโทษให้สักครั้งเถิดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกําลังแหมคำสุดท้ายเนี่ยประโยคสุดท้ายเนี่ยนะเป็นคําที่เรียกว่าต้องยอมนะว่าเรียกว่าบัณฑิตที่ไหนก็ต้องยอมแหละบอกว่าบัณฑิตเขาไม่โกรธกันหรอกนะบัณฑิตเขาไม่มีความโกรธเป็นกําลังกําลังของบัณฑิตคือเขาไม่โกรธกำลังนะั้นแหมคํานี้ก็เลยต้องยกโทษให้นะถ้าเกิดไม่ยกโทษให้อะไรจะเกิดขึ้นในชะ มันก็ถือเป็นคําขอโทษที่ที่เรียกว่าแบบมัดใจคนที่ที่โกรธที่สุดอ่ะ น, นะบอกว่บัณฑิตทั้งหลายเขามีความไม่โกรธเป็นกําลางังอ่างนั้นพระโพธิสัตว์เวลาจะยกโทษให้ก็เลยบอกว่าให้บอกตัวเองและก็ให้ฤาษียกโทษให้บอกว่าการอยู่ในป่าของพวกฤาษีแม้คืนเดียวก็เป็นการอยู่ที่ดีพวกเราได้เห็นเท้าวาสวะภูตะบดี ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมีใจยินดีเพระาะพราหมณใดได้เง่าบัวคืนแล้วเกลื่อที่บายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหมดจงยกโทษให้แก่เท้าสกะเทวราชเธอเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ของเราบัดนี้ก็ได้เง่าบัวแล้วคือพระโพธิสัตว์ก็ได้เง่าบัวคืนมาแล้ ว, วแล้วลกรร็ฤาษีก็ไหว่เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะการมาบวชทั้งหมดเนี่ยนะมาบวชคืนเดียวนี่เราได้เห็นประจักษ์แล้วใช่ไหมว่าเทวดามีจริง การที่เราได้เห็นเท ว, ว ด, ดามีจริงการบวชแม้แต่คืนเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วว่างั้นนะนะบวชมาพบเห็นเทวดาเพราะฉะนั้นอดทษให้เทวดาเถ อ, อะนะแล้วเทวดาก็กลับไปอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขตามเดิมเสร็จแล้วฤาษีทั้งหมดก็ทําฌานอภิญญาให้เกิดแล้วก็ไปสู่พรหมโลกเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะ ถ, ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเอาคำแช่งเหล่านี้เนี่ยนะตอนที่ที่ที่ฤาษีเหล่านั้นเขาแช่งเนี่ย ใครที่ฟังแล้วแหมรู้สึกว่าทําไมต้องสาบต้องแช่งกันแบบนี้ก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่หรือถ้าถามว่าถ้าเราอยู่ในระดับเทวดาแล้วมองมาเนี่ยนะถ้ามาติดหมกมุ่นในวัตถุนในในโลกนี้อในความรู้สึกของเทวดานี่เขาดีใจด้วยไหมเขาเพลดิดเพลินไหมโอ้เก่งจริงๆเป็นเจ้าวาดอยู่กนะันนะนี่นั่งโก้ตรงไหนเลยใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าระดับพรหมมองลงมาเนี่ยมันจะมองว่าโอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เสียหายที่สุดในบรรดาความเสียหายแล้วในความรู้สึกของพรหมคนเหล่านี้คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพรห ม, มโลกก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายนั้นคำสาบแช่งนั้นเป็นคําสาบแช่งเหมือนกับว่าให้ติดพันในวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกามตลอดเวลาก็หมกมุ่นอยู่ในโสโกปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาตเนี่ยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคําที่สาบแช่งหนักที่สุดจริงๆก็ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอัธยาศัย ววตต์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการตรัสรู้อริยสัจทั้งหลายสรุปนะท่านเหล่านั้นทั้งหมดคือใครพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นนะภาษาริบุตรน้องคนที่หนึ่งก็คือภาษาริบุตรน้องคนที่สองคือพระโมกขาลานะน้องคนที่สคือพระหมหากคสปะน้องคนที่สี่ก็คือพระอนุรุทธะน้องคนที่ห้าก็เป็นพระอนุน้นองสาวก็คือนางอุบลวันนาธาตุก็คือคุชชุตตา ธาตุผู้ชายก็คือจิตตะพฤหบดีคนเหล่านี้ผู้มีปัญญาทั้งหมดเลยนะเป็นผู้ผู้มีปัญญาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสาวกผู้ใหญ่ด้วยน ะ, อ, ะอย่างคุชุตระานี้ก็ทรงพระไตรปิฎกนะนะจิตตะพฤหบดีก็เป็นพระนาคามีที่มีฤทธิ์มากมีนุภาพมากลุ ก, กเทวดาก็คือพระสาตาธิร ะ, ะก็คือสาตาธิระช้างก็คือช้างปาลิลยาาัยะกะว่าเป็นช้างมาลายชาตินั่นเนี่ยช้างปาริลยาาัยะกะเป็นช้างมาลายชาติ วานอนก็คือมะทุวาวสิทธะก็คือลิงที่ถวายน้ํำผึ้งกันแล้นี่ยนะทา้าส ก, กัดก็คือพระกาลุทายีมหากัญจนะดาบทก็คือพระโลกกน้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพันในในจริยานี้เนี่ยนะเป็นจริยาก็คือเนคขมมาบารมีคือเห็นโทษในวัตถุกามและกิเลสกามจริงๆเพราะว่าวัตถุกรรมกิเลสกรรมเหล่าใดเนี่ยนะ ที่มีอยู่ในโลกโดยมากเนี่ยตรงไหนบ้างที่คิดถึงแล้วไปอาบายไม่ได้มีไหมเขาบอกมีพระพุทธรูปแล้วไม่ไปอาบายมีเหรอใช่ไหมคนที่ตัดเสียงพระเป็นต้นจะไปไหนเป็นต้นนนะี่นะเพราะในโลกนี้เมื่อทุกหนทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งการคิดนึกด้วยบาปและอกุศลทุกแห่งจึงเป็นที่ตั้งแห่งการไหลไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนะรกท่านเหล่านั้นจึงเป็นเป็นผู้ที่เห็นโทษะนะ มองเห็นโทษว่าป่าช้ามันจะวิจิตขนาดไหนมันก็คือป่าช้าฉันใดโลกนี้ทุกแห่งก็คือป่าช้าลมยมมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหที่ที่ที่เมืองหนึ่งขุดตรงไหนก็เจอแต่กะโหลกเขาวังนั้นก็แสดงว่าที่ไหนดีก็คือสุสานที่เป็นป่าชา้าทุกแห่งก็คือป่าช้าแล้วมันน่ายินดีตรงไห น, นทุกแห่งที่ยินแอบแปะเปื้อนไปด้วยคราบเหงื่อแปดเปื้อนไปด้วยคราบน้ําตาแปดเปื้อนไปด้วยคราบ เลือดแปดเปื้อนไปด้วยหลุมฝังศพเป็นต้นณนที่เหล่านั้นจะน่าเพลิดเพลินได้อย่างไรเว้นไว้แต่คนเมาเป็นต้นเนยนะเว้นไว้แต่คนเมาด้วยอำนาจบาปอากุศลจึงจะมีจิตใจที่หมกมุนทัานพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เมาผู้เป็นสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งหลายเข้าเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะเือท่านท่านไม่ได้มองแบบคนที่เขาเรียกว่าตัดสายตาที่แปดเปื้อนด้วยด้วยฝุ่นละอองไม่ใช่มองด้วยสายตาที่แปดเปื้อน ด, ด้วยบาปแล อกุศลแต่เป็นคนที่มองแบบพูดคิดง่ายๆบอกมองแบบพระพุทธเจ้ามองคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดเพราะท่านท่านเป็นมองแบบคนที่จะออกจากทุกเป็นมองแบบคนที่จะดับทุกนั่นเองวันนี้จึงไปเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในเนคขมมะเนี่ยนะจากชาดกทั้งสองเรื่องนั้นประกาศถึงว่าท่านเป็นผู้ที่เห็นภายในวัตตะเห็นโทษของวัตตะเพราะว่าที่สุดของวัตตะเนี่ยถึงจะน่าเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ก็ ตอนท้ายล่ะตอนท้ายเป็นยังไงตอนแรกดูดีดีตอนท้ายะรเอาร่างกายนี่แหละแต่ละคนเนี่ยนะหลอเลี้ยงร่างกายบำรุงบำรริเป็นอย่างดีในที่สุดมีแต่ความเจ็บความป่วยยิ่งดูเลยยิ่งป่วยเนี่ยนะคุณหมอเคยพบไหมว่ายิ่งแก่มากๆแล้วยิ่งมีความสุขสบายสบายมีแต่ดีขึ้นมีตาตาก็แเจมไซมีหูก็ไม่ฟ้าไม่ฟังมีจมูกก็หายใจสะดวกไม่เคยปวดหัวเปียกเส้น มีฟันก็แข็งแรงไปหมดเลยนะสุขภาพดีเยี่ยมจะลุกจเจริญจะเหินก็คล่องแคล่วไปหมดเลยมีไหมไม่มีอะนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันขัดกับะอะไรนะธรรมนิยามมนิยามมันเป็นอย่างนี้นั้นวัตถานั้นเป็นอย่างนี้เมื่อวัตถาเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าเดี๋ยวถ้เป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีอี ก, กาอยู่ตัวหนึ่งนะที่ไปเกาะซากช้างตายซากช้างที่โอยอีกาก็ชอบกินเนื้อใช่ไหม ไปเกาะซากช้างตายที่กําลังลอยอยู่ในกระแสมแม่น้ําบอกโอ้ได้อาหารได้ที่อยู่ที่อาศัยแลย้วว่างันอะไรสบายเลยนะก็เลยปลอยตัวกินแต่ซากช้างมายอมไมหา ก, กินที่ไหนซากช้างก็ลอยตุ๊บ ป, ป่องตุ๊ ป, ป่องไปตกถึงทะเลช้างไอ้กาเขบอกเออไม่ออกนะสบายยังไงชีวิตชาตินี้เราก็อยู่ยังมีความสุขมีช้างเป็นอาหารตลอดไปเนี่ยนะก็เลยเพราะว่าตัวเราก็นิดเดียวช้างไม่ใหญ่เริ่มกินยังไงก็กิกนไม่หมด ไอ้ช้างก็ลอยไปได้ถึงกลางทะเลแล้วทีนี้ทีนี้ไอ้ข้างล่างก็เน่าเปื่อยไปหมดใช่ไหมมันก็เตรียมจมลงถามว่าพอมันจมปั๊บอีกาบินไปไหนตัวเองก็บินไม่ได้อ้วนอ้วนอะไรไปไหนก็ไม่รอดใช่ไหมบินก็ไม่ได้ก็เลยตายกลางทะเลเป็นอาหารปลาและเต่าฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมัวแต่หลงเพลิดเพลินไม่มีจิตคิดจะออกคิดว่ามีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไร้รำไปจนถึงไร้รำปั๊บ ตุ้เงี้ยตายหมดเลยใช่ไหมกำลังมีความสุขและเพลิดเพลินก็ระเบิดแบบที่เกาะบาหลนีน่ะนะก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอันชีวิตของเราทั้งหลายผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าหากว่าเห็นว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และทนทุกข์เราก็ตั้งอัธยาศัยถึงตอนนี้เรายังทําไม่ได้ เราก็ต้องขอให้มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่เรายังทำไม่ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีสิ่งที่เราทำอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่อาจจะไม่ดีอย่างคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดีแต่ถามว่าเมื่อรู้ว่าไม่ดียินดีที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไหม ก็ไม่ไม่ยินดีปรารถนาที่จะพ้นฉันใดหรือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บสมมุติว่าเราเป็นหวัดนี่ดีไหมไม่ดีแล้วถามว่าออกจากหวัดได้ออกง่ายๆเลยไหมขณะที่ป่วยสมอยู่เนีอ่ออกยากฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นผู้ที่อยู่ในโลกของวัตถุกกามด้วยอำนาจกิเลสกามก็ลักษณะนั้นก็ไม่ใช่จะออกง่ายๆ จิตใจก็แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสกามที่ปรารถนาสแสวงหาวัตถุ ก, กามทั้งหลายก็น่าปรารถนาถึงจิตใจจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องออกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ยอมจำนนอะนะแปดเปื้อนจมอยู่ด้วยบาปอากุศลเหล่านี้ตลอดไปก็ภาคเพียงเพราะเราเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าะนะ ก, ก็พยายามที่จะออกพยายามที่จะ ปฏิบัติน่ยนะพันด้วยบุญกุศลที่เราเรียนรู้พระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติในเจริยาออกจากวัฏทุกข์ในอดีตและปัจจุบันพบที่พระองค์ออกสําเร็จได้ฉันใดขอบุญกุศลที่เราได้ฟังได้ได้ฟังและได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเหล่านี้ขอคุณงามความดีบุญกุศลเหล่านี้ขอให้ได้สําเร็จตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้